แต่นั้นคณะอมาตย์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกก้าขวบย่อมกลัวสัตราพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยสัตราจึงให้พระมหาสัตว์ประทับนั่งณนะพระลานหลวงกับทารก500คนในเวลาที่ทารก500รคนกำลังเล่นกันอยู่บุรุษผู้หนึ่งถือดาบมีสีดังแก้วผลึก กัดแกวงบัเลือโหร้องโลดเต้นปลบมือยักยื้องท่าทางคู่ตวาดว่าได้ยินว่าราชโอรสองหนึ่งของพระเจ้ากาสิกราชเป็นกาลกันนีเขาอยู่ไหนเราจะเอาดาบตัดศีรษะเขาวิ่งกล่าวอยู่ดังนี้เหล่าทารกที่เหลือเห็นดังนั้นทั้งกลัวทั้งสะดุ้งร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง ส่วนพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาภายในนรกทรงเห็นว่าพินาศเสียในคมดาบอันร้ายกาศยังดีกว่าตายในอุศุทธนรกดังนี้ประทับนั่งเหมือนไม่ทรงทราบลำดับนั้นบุรุษนั้นเอาดาบจดลงที่ศีรษะแล้วกล่าวกับพระมหาสัตว์ว่าเราจะตัดศีรษะท่านแม้ทำให้พระมหาสัตว์สะดุง้ง ก็ไม่สามารถจะให้สะดุ้งได้จึงหลีกไปแม้ทดลองด้วยดาบในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าพวกท่านในเวลาที่มาแล้วรับพระกุมาร น, นําออกไปพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่า หามิได้เลยพระเจ้าค่าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแต่นั้นคณะอมร์กราบทูลพระราชาว่าพอเดชะธรรมดาทารกสิบขวบย่อมกลัวเสียงควรจะใช้เสียงทดลองพระกุมารว่าหนวกหรือไม่กราบทูลดังนี้แล้วจึงให้แวดวงที่บันทมด้วยม่านทำช่องไว้สีข้างให้คนเป่าสังนั่งอยู่ใต้ที่บันทม ไม่ให้พระโพธิสัตว์เห็นตัวให้เป่าสังขึ้นพร้อมกันได้มีเสียงกังวานพร้อมกันนางนมทั้งหลายให้พระมหาสัตว์บันทมเหนือที่บันทมอมตสี่คนยืนอยู่ที่ข้างทั้งสี่แลดูอิริยาบทของพระมหาสัตว์ตามช่องม่านมิได้เห็นวิการแห่งพระหัตถ์พระบาทหรือเพียงกระดิกไหวอันเผอพระสติของพระมหาสัตว์ แม้วันหนึ่งพระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษว่าลูกของเราไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่าทรงหารือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแม้ทดลองด้วยเป่าสังในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์เลย แต่นั้นคณะอมย์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกอขวบย่อมกลัวเสียงกลองควรจะทดลองพระกุมารด้วยเสียงกลองเมื่อล่วงไปหนึ่งปีอมย์ทั้งหลายแม้ทดลองด้วยเสียงกลองในระหว่างในระหว่างอย่างนั้นแลเป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอมัดกราบทูลพระราชาว่า ขอเดชะธรรมดาทารกส2องขวบย่อมกลัวประทีป พ, พวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยประทีปกราบทูลดังนี้แล้วให้พระโพธิสัตว์บัรทมในที่มืดเวลาราตรีคิดว่าพระกุมารจะยังพระหัตหรือพระบาทให้ไหวหรือไม่หนอะทำประทีปให้ลุกโลงในหม้อทั้งหลายให้ดับประทีปอื่นๆเสีย ให้พระมหาสัตว์บรรทมหน่อยหนึ่งในที่มืดแล้วยกหมประทีปน้ำมันทั้งหลายขึ้นทำให้สว่างพร้อมกันทีเดียวพิจารณาดูอิริยาบถของพระโพธิสัตว์ก็มิได้เห็นแม้สักว่าความไหวพระกายของพระมหาสัตว์แม้ทดลองด้วยประทีปในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นแม้เพียงความไหวอะ ไ, อะไรอะไรของพระโพธิสัตว์ พระราชาตรัสถามพวกราชบุรุษว่าลูกของเราไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าหามิได้เลยพระเจ้าค่าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแต่นั้นคณะอมารกราบทูลพระราชาว่าพอเดชะธรรมดาทารกสิบสามขวบย่อมกลัวมแมลงวันพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยน้าอ้อย กราบทูลดังนี้แล้วจึงเอาน้าอ้อยทาทั่วพระสรีระพระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในสถานที่มีมแมลงวันชุกชุมเลี้ยงบำรุงมแมลงวันทั้งหลายมาแมลงวันเหล่านั้นก็ตอมพระสรีระทั้งสิ้นแห่งพระโพธิสัตว์กินน้ำอ้อยดุดแทงด้วยเข็มเป็นอันมากพระโพธิสัตว์ทรงดําริว่าเราตายในปากมาแมลงวันทั้งหลายดีกว่าตายในนรกอเวจี จึงอดกลั้นทุกเวทนาไม่หวั่นไหวเลยดุจพระมหาเถระเข้านิโรธสมาบัติแม้ทดลองด้วยน้ำอ้อยในระหวา่างนระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นแม้เพียงความไหวอะไรอะไ ร, อะไรของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบรุษว่าลูกของเราไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบรุษทั้งหลายกราบทูลว่าหามิได้เลยพระเจ้าข่า ทรงหาหรือว่าพวกเราจะทำอย่างไรแต่นั้นคณะอมร์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะเมื่อเวลาทารกมีอายุได้14ขวบก็เป็นผู้ใหญ่แล้วบัดนี้พระกุมาร น, นี้เป็นผู้ใหญ่ใคร่ของสะอาดรังเกียจของโสโครกพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยของโสโครกกราบทูลดังนี้แล้วตั้งแต่นั้นมา ไม่สงสนารนพระโพธิสัตว์ไม่จัดให้ลงบางคนไม่ช่วยให้ลุกจากที่บรรทมพระโพธิสัตว์ก็ลงบางคนหนักเบาบรรทมเกลือกล้วอยู่ในที่นั้นนั่นเองก็เพราะกลิ่นเหม็นการนั้นได้เป็นเสมือนการสําแดงพระอัธยาศัยภายในแห่งพระโพธิสัตว์ออกมาภายนอกมแมลงวันทั้งหลายก็มาตอมกินอยู่ที่พระสรีระของพระโพธิสัตว์ คราวนั้นพระชนกพระชนนีประทับนั่งล้อมพระโพธิสัตว์ตรัสอย่างนี้ว่าพ่อเตมิยะกุมารบัดนี้ลูกก็โตแล้วใครเขาจะประคับประคองลูกเสมอไปลูกไม่ละอายหรือลูกนอนอยู่ทาไมลูกขึ้นชำระร่างกายสิและตรัสตัดพ่อบริพาตพระโพธิสัตว์แม้จมอยู่ในกองคูดซึ่งปฏิกูลอย่างนั้นก็ทรงวางพระอารมณ์เป็นกลาง พระทรงพิจารณาเห็นความมีกลิ่นเหม็นของคูดนรกซึ่งสามารถฟุ้งตลบขึ้นในใจของผู้ที่แม้ยือนอยู่ในที่สุดของร้อยโยอเพราะมีกลิ่นเหม็นแม้ทดลองด้วยของโสโครกในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์แต่นั้นคณะอมารกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะ ธรรมดาทารกสิหขวบย่อมกลัวความร้อนพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยฐานเพลิงลำดับนั้นอมาตะทั้งหลายได้วางกระเบื้องเต็มด้วยไฟไว้ใต้พระแท่นของพระโพธิสัตว์ด้วยคิดว่าอย่างไรเสียพระกุมารถูกความร้อนเบียดเบียนเสวยทุกขเวทนาเมื่ออดกลั้นทุกขเวทนาไม่ได้ก็พึงแสดงความกระดิกไหวพระหัตหรือพระบาทบ้าง นางนมทั้งหลายให้พระมหาสัตว์บันทมเหนือพระแท่นแล้วออกมาพระมหาสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียนเป็วไฟปรากฏเหมือนลูกโพลง่งทั่วพระสรีระของพระมหาสัตว์แม้พระมหาสัตว์ก็ทรงโอวาทพระองค์เองว่าแน่พ่อเตมียะกุมารความร้อนในนรกอเวจีแผ่ไปต้องร้อยยอทำลายในตาของบรรดาสัตว์ที่อยู่ในที่ร้อยยอได้ ความร้อนแห่งเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในนรกนั้นตั้งหนึ่งร้อยเท่าหนึ่งพันเท่าหนึ่งแสนเท่าดังนี้แล้วทรงอดกลั้นความร้อนนั้นเสียมิได้หวั่นไหวเลยเหมือนผู้เข้านิโรธสมาบัติลำดับนั้นพระชนกพระชนนีของพระโพธิสัตว์ท่อพระเนธเห็นพระโพธิสัตว์ถูกความทุกข์เบียดเบียนก็เป็นเหมือนพระหรุไทยจากแตก จึงแหวกฟูงชนเข้าไปนำพระโพธิสัตว์ออกมาจากความร้อนของไฟนั้นแล้วตรัสวิงวลพระโพธิสัตว์ว่าพ่อเตมิยะกุมารพวกเรารู้ว่าลูกมิใช่คนง่อยคนเปลี้ยเป็นต้นเพราะคนพิการเหล่านั้นมิได้มีมือเท้าปากและช่องหูอย่างนี้พ่อเป็นบุตรที่พวกเราปรารถนาจึงได้ลูกอย่าให้พวกเราฉิบหายเลย ลูกจงเปลืองพวกเราจากกระหาแต่สำนักพระราชาทั่วชมพูทวีปเถิดแม้พระชนกพระชนนีวิ่งวอร์ถึงอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็บรรทมนิ่งเหมือนมิได้ทรงสดับพระวาจานั้นลำดับนั้นพระชนกพระชนนีของพระโพธิสัตว์ก็ทรงกันแสงจะด็ดหลีกไป บางคราวพระชนกของพระโพธิสัตว์แต่พระองค์เดียวเสด็จเข้าไปวิงวอนพระโพธิสัตว์ balances. บางคราวก็พระชนนีแต่พระองค์เดียวเสด็จเข้าไปวิงวอนพระโพธิสัตว์บางคราวทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าไปวิงวอนด้วยกันแม้ทดลองด้วยฐานเพลิงในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็มิได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์